เป็นสมาธิสาธารณะทั่วไปทุกละที่ที่มีการปฏิบัติสมาธิสมาธิตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงฌานขั้นที่สเป็นสมาธิขั้นปฐมในเมื่อผู้ที่ทำสมาธิถึงฌานขั้นที่สี่แล้วมีทางแยกไปตามละทีและความเข้าใจของแต่ละศาสดา าศาสดาในาศาสนาพราหมณ์เมื่อเขาทำจิตถึงฌานขั้นที่สแล้วเขาก็ดาเนินจิตไปสู่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิจัญญายตนะเดวสัญญานาสัญญายตนะไปสมาบัติ8ทีนี้ผู้ทำสมาธิสาเร็จสมาบัติ8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 ก็ได้เคยศึกษาในละเทิของศาสนาพราหมมาก่อนจนสามารถทำจิตของพระองค์ให้บรรลุถึงสมาบัติขั้นสูงสุดคือเนวสัญญานาสัญญายจรนะในตอนแรกๆพระองค์ก็คิดว่าพระองค์สำเร็จแล้วเหมือนกันแต่เมื่อออกจากคานสมาบัติขั้นนั้นมามาสู่ภาวะความเป็นอยู่อย่างปัจจุบันนี้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 เราจะไปหักข้ามสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เป็นไปตามกฎ ธ, ธรรมชาติของเขานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าหากเราไปฝืนเมื่อไรความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นเมื่อนั้นแช่นความแก่เกิดขึ้นมาเราไม่อยากแก่เราก็ทุกข์ความเจ็บมาถึงเราไม่อยากเจ็บเราก็ทุกข์หรือเจ็บแล้วอยากขายหายไม่ทันใจเราก็ทุกข์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 อันนี้พระองค์เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้มีความบริสุทธิ์พระองค์เป็นผู้มีพระไทัยประกอบด้วยพระมหาการุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่สู่สละความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาโปรดเวนยสั์ให้รู้จากบาปบุญคุณโทษประโยชน์ลรไม่ใช่ประโยชน์จนกระทั่งให้บรรลุมรรคผลนิพพาน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 จิตยังมีช่องว่างที่จะส่งกระแสะออกไปในทางอื่นก็ให้ปล่อยลมหายใจเสียแล้วให้นึกพุทโธเร็วๆเข้าพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆจนไม่มีช่องว่างการนึกพุทโธในขณะที่เรานึกอยู่นั้นอย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ให้รู้สึกว่าจิตของเราสัมผัสกับพุทโธไม่ขาดระยะนึกอยู่อย่างนั้นแหละ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 เมื่อเจตถอนออกมาจากอับปนาสมาธิพอมาเกิดความคิดขึ้นมาเท่านั้นให้กำหนดตามรู้ความคิดนั้นไปอย่าอย่าไปปล่อยอย่าไปละโอกาสแม้ว่าเจตจะถอนออกมาโดยไม่มีพลังแห่งสมาธิเหลืออยู่ก็ตามให้กำหนดตามความคิดนั้นไปเรื่อยๆเจตคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้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 บริกรรมภาวนานั้นหายไปในเมื่อคมบริกรรมภาวนาหายไปผู้ฉลาดในการปฏิบัติมีทางที่จะพึงปฏิบัติได้ในสองแง่แง่หนึ่งน้อมเอาจิตนั้นไปเพ่งพิจารณาอาการ32สองคือผมขนเลบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นพิจารณาไปในแง่แห่งอสุภะคือความไม่สวยไม่งาม ปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกทั้งปัจจุบันทั้งที่ถึงแก่วความตายไปแล้วโดยน้อมนึกพิจารณาเอาวบผมก็เป็นของปฏิกูณขนก็เป็นของปฏิกูลและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเป็นอุบายที่ให้จิตใจของเราน้อมเชื่อลงไปว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆพิจารณาทบทวนอยู่อย่างนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกท่านตั้งหลายเคยเรียนวิชาแพทย์มาแล้วการพิจารณาอาสุภากรรมฐานนี่เป็นของง่ายที่ว่าให้พิจารณาผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนั้นตามหลักของอาการ32หรือกายกตาสติอันนี้ท่านเขียนไว้เป็นตำลับตำราท่านผู้ใดสมัครใจที่จะพิจารณาอาสุภากรรมฐาน ท่านอาจจะน้อมนึกถึงอดีตที่ท่านเคยเรียนวิชาแพทย์มาท่านเคยผ่าศพมาพิสุจ์ผ่าตับไตไส้พุงอะไรต่างๆที่มีอยู่ในกายของมนุษย์นี้ที่ท่านยิบมาด้วยมือแล้วก็ดูได้ตารู้ด้วยใจน้อมเอาอาดีตสัญญาอ น, นันแหลยมาพิจารณาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานซึ่งบางท่าน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 มีลักษณะอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรตามที่ท่านเคยเรียนมาน่นแหละแท่งลงไปให้มันมองเห็นด้วยจิตด้วยใจกันจริงๆในตอนแรกๆนี่เราอา